ตอนที่62มีคนตายแล้วพระชายาท่านอองมีบุตรสืบสกุลน้อยนักยามแก่เท่าถึงได้เซนเออร์เป็นบุตรชายเพียงคนเดียวความหวังทั้งหมดจึงฝากไว้ที่เขาแต่เซินเอ๋อร์ร่างกายอ่อนแอตั้งแต่เด็กเจ็บป่วยอดอดแอดแอดไม่ขาดสายเพื่อจะรักษาชีวิตเขาไว้ท่านอองจึงส่งเขาให้ท่านอาจารย์เลี้ยงดูตั้งแต่ยังอยู่ในหอผ้าอาจารย์ของเซินเอ๋อร์เชี่ยวชาญวิชาแพทย์ทั้งยังมีวอนยุตล้ำเลิศเซินเอ๋อร์จึงเติบโตมาในป่าลึกที่ตัดขาดจากโลกภายนอกพร้อมกับเขา จนกระทั่งอายุสิบขวบช่วงเวลาก่อนที่เจ้าจะเข้าจวน อ, องไม่นานพวกเราถึงเพิ่งรับเขากลับมาที่จวนเสี่ยชิงจือแ้งทำเป็นเข้าใจในทันทีที่แท้ก็เป็นเช่นนี้เองแล้วพี่เซินที่เติบโตในป่าลึกกับท่านอาจารย์นอกจากท่านอาจารย์แล้วเขาไม่ได้ติดต่อกับใครอีกเลยหรือเจ้าคะความคิดของพระชายาถูกเสี่ยชิงจือจูงไปนางจึงลืมความโกรธเมื่อครูไปชั่วขณะแล้วยิ้มบางๆพางกล่าวต่อ ก็ไม่เชิงเสียทีเดียวแม้จะบอกว่าฝึกตนในป่าลึกแต่ก็ยังพบเจอผู้คนได้บ้างโดยเฉพาะในปีสุดท้ายก่อนที่เซิร์นเออจะกลับมาท่านอาจารย์เข้มงวดกับเขามากเหลือเกินเซิร์นเออยังเป็นเพียงเด็กสิบขวบแต่กลับถูกสั่งให้ปีนขึ้นมาจากก้นเหวด้วยมือเปล่าผลคือเขาพลัดตกลงมาจนได้รับบาดเจ็บสาหาัสพระชายาตบอ ก, อกเบาๆสีหน้าเต็มไปด้วยความปวดใจเซินเออยังเป็นเด็กแท้ๆ โชคดีที่ได้พบเด็กหญิงคนหนึ่งนางช่วยใส่ ย, ยาและพันแผลให้จึงช่วยชีวิตเขาไว้ได้น่าเสียดายที่เด็กคนนั้นไม่ได้ทิ้งชื่อแซวไว้เซิร์นเ อ, อ๋อจึงอยากตามหานางมาตลอดเพื่อตอบแทนบุญคุณเสี้ยชิงจือพยักหน้าช้าๆแววตาฉายรังสีอมตออกมาที่แท้ก็เป็นเช่นนี้นางพอจะรู้แล้วว่าทําไมหลินเซิร์นถึงได้ห่วงแหนผ้าเช็ดหน้าผืนนั้นนักคาดว่าผ้าเช็ดหน้าผืนนั้นคงเป็นของเด็กหญิงที่ช่วยชีวิตเขาไว้ในตอนนั้นและเป็นผู้มีพระคุณของหลินเซิน์น เมื่อรู้ที่มาที่ไปแล้วนางย่อมมีวิธีที่จะคว้าความประทับใจจากหลินเซินและขจัดความระแวงที่เขามีต่อนางได้ทว่าเยวกลับสามารถยุยงให้หลินเซินระแวงนางได้โทสะนี้นางมีอาจข่มกลั้นไว้ได้จริงๆวันต่อมาคนชราหลายคนที่พักรักษาตัวอยู่ที่สำนักหมอหลวงต่างทยอยเสียชีวิตลงเมื่อมีคนตายเรื่องราวก็ยิ่งทวีความรุนแรงขึ้นฟาบาททรงกริ้วจัดทรงระเบิดโทสะกลางราชสำนักและตำหนิเยวูเสียอย่างรุนแรง หลินเซินตั้งใจจะช่วยพูดให้เขาแต่กลับถูกสิ้น อ, องกดตัวไว้ฟาบาส่งมีรับสั่งให้จวนจริงเจ้าอิ่นร่วมมือกับหลินเซินเร่งสืบอหาความจริงให้เร็วที่สุดมิฉะนั้นจะให้สารต้าหลี่เข้ามาจัดการแทนหลินเซินและใต้เท้าเหรอรับพระราชโองการเขาเห็นมุมปากของใต้เท้าเหอประดับไปด้วยรอยยิ้มเย็นชาหลังจากเลิกประชุมเช้าหลินเซินก็ถูกสิ้นอองลากตัวกลับจวน อ, องทันทีและถูกตำหนิอีกยกใหญ่แต่แรกเจ้าก็ไม่ควรเอาตัวเข้าไปพัวพันกับเรื่องนี้ ตอนนี้ฝ่าบาททรงมีรับสั่งให้จิงเจ้าอินร่วมตรจสอบแล้วเจ้าก็ปล่อยให้จิงเจ้าอิ่นจัดการไปเสียเจ้ารีถอนตัวออกมาจากน้ำคร่ำนี้เสียมิฉะนั้นคนทั้งจวนอ๋องจะต้องพลอยเดือดร้อนพระเจ้าไปด้วยสิ้นอ๋องสะบัดชายเสื้อเดินจากไปเยว่าและเยว่ายังคงถูกขังอยู่ในคุกหลวงจิงเจ้าอิ่นเขาจะนิ่งดูได้ได้อย่างไรยิ่งไม่ให้เขาสืบเขาก็ยิ่งต้องสืบเมื่อหันหลังจะเดินออกจากประตูก็พบกับเสี้ยวชิงจือเข้าพอดี นางเห็นหลินเซินท่าทางรีบร้อนจึงรีบดึงตัวไว้พี่เซินท่านจะไปที่ใดเจ้าคะไปตามหาคนขับรถมา้าที่ขนสเสบียงนั่นต่อให้ต้องขุดพลิกเมืองหลวงข้าก็ไม่เชื่อว่าจะหามันไม่พบเสี้ยชิงจือเลิกคิ้วขึ้นแล้วดึงเขาไว้อีกครั้งแต่ท่านอองพึ่งสั่งให้ท่านรีบถอนตัวอย่าได้ลงไปพัวพันกับเรื่องยุ่งยากนี้อีกหลินเซินสะบัดมือนางออกอย่างรำคาญข้าเป็นแม่ทัพใหญ่กองกําลังรักษาพระองค์จะนิ่งดูได้ได้อย่างไร เขาจะฝากความหวังไว้กับคุณนางสุนัขอย่างเหอต้าจื้อแห่งจวนจริงเจ้าอิ่นได้อย่างไรหลินเซินรีบจับไปเสี้ยชิงจือไม่ได้รั้งเขาไว้อีกเมื่อเห็นเขาเดินไปไกลแล้วนางจึงเรียกเจินจูมากระซิบสั่งความสองสามประโยคพร้อมรอยยิ้มยินชาประตูคุกหลวงจริงเจ้าอิ่นถูกเปิดออกอย่างกระทันหันเยว่าและเยว่ากําลังแปลกใจทหารก็เดินเข้ามาหมายจะลากตัวเยว่าออกไปเยว่าเดินเข้าไปขวางพรางตวาดพวกเจ้าจะทําอะไรทหาร ใต้เท้าเธอต้องการสอบสวนแม่ทับน้อยโปรดอย่าทำให้พวกเราลําบากใจเลยเยว่าขมวดคิ้วเรื่องนี้ซื้อจุดเป็นผู้รับผิดชอบไม่ใช่หรือตั้งแต่เมื่อไหร่ที่ถึงคราวเหอต้าจื่อมาสอบสวนทหารผู้ประสบภัยที่สํานักหมอหลวงตายแล้วเรื่องนี้ถึงขั้นมีคนตายฝาบาททรงร้วมากจึงสั่งให้จิงเจ้าอินร่วมตรวจสอบอย่างละเอียดหากแม่ทับน้อยและท่านหญิงบริสุทธิ์จริงก็โปรดให้ความร่วมมือกับการสืบสวนของพวกเราเถิด เยว่าวและเยเวหัวศกตากันด้วยความตกตะลึงคิดไม่ถึงเลยว่าเรื่องนี้จะลุกลามจนมีคนตายในเมื่อเป็นรับสั่งของฟาบาทที่ให้จิงเจ้าอิ่งร่วมสอบสวนหากพวกเขาไม่ให้ความร่วมมือก็เท่ากับเป็นการขัดราชโองการเยว่าดึงตัวเยเวหัวกลับมาท่านที่ข้าจะไปพบใต้เท้าเหออย่างน้อยจะได้รู้ความคืบหน้าบ้างแต่ว่าเยว่าไม่สบายใจท่านพี่วางใจเถิดอย่างไรข้าก็เป็นถึงท่านหญิงเขาไม่กล้าทําอะไรข้าหรอก เยว่าไม่มีทางเลือกอื่นทําได้เพียงมองดูเยว่าถูกพาตัวไปต่อหน้าต่อตาเยว่าถูกพาตัวมาที่ห้องพิจารณาคดีบนบัลลังก์นั้นคือขุนนางสุนักเหอต้าจื้อจริงๆเมื่อเห็นเยว่าเขาก็แค่นยิ้มพลางฟาดไม้ตบโต๊ะเสียงดังสนัน่นเห็นใต้เท้าแล้วยังไม่คลุกเข่าท่านหญิงต้องการให้ข้าใช้กําลังหรือเยว่าถลิงตาใส่เขาเจ้าต้องการให้ท่านหญิงผู้นี้คลุกเข่าให้งั้นหรือเจ้าจะรับไหวหรืออย่างไรเหอต้าจื้อยิ้มอย่างหยาบโลนท่านหญิง ช่างหวังท่าท่านหญิงเสียใหญ่โตจริงนะตกลงใต้เท้าผู้นี้จะอนุญาตให้เจ้าไม่ต้องคุกเข่าแต่ว่าเหอต้าจื้อฟาดไม้ปรุกษาลงอย่างแรงอีกครั้งยักยอกสเบียงกลังใช้ข้าวสารขึ้นราบรรเทาทุกจนเป็นเหตุให้ผู้ประสบภัยต้องตายเจ้าจะยอมรับผิดหรือไม่เยโวโกรธจัดหลักฐานก็ไม่มีใต้เท้าเหอก็จะให้ข้ายอมรับผิดแล้วหรือจริงเจ้าอินพิจารณาคดีเช่นนี้เองหรือเหอต้าจื้อกัดฟันกรอด จริงเจ้าอิอย่างข้าจะพิจารณาคดีอย่างไรต้องให้เจ้ามาสอดปากด้วยหรือเจ้าจะรับหรือไม่รับเยววเบิก yeah, well, ตากว้างไม่มีพยานหลักฐานอาศัยศิทธิ์อะไรมาบังคับให้ข้ายอมรับผิดอีกอย่างข้าไม่ได้ยักยอกสเสบียงกลงังและไม่เคยใช้ข้าวสารขึ้นราบรรเทาทุกด้วยทั้งหมดล้วนเป็นเรื่องปั้นน้ําเป็นตัวใส่ร้ายป้ายสีทั้งสิน้นดีเจ้าไม่ยอมรับใช่ไหมเหอตาจื้อฟาดไม้ปลูกสารอีกครั้งเด็กๆโปรยก่อน20บไม้ดูซิว่านางจะสารภาพหรือไม่ เยว่าตกตะลึงเจ้ากล้าหรือเหอต้าจื้อยิ้มอย่างชั่วร้ายเหตุใดใต้เท้าผู้นี้จะไม่กล้าคนโอยป้ายอัยสิทธ์ถูกโยนลงกลางศาลเยวา่าถูกเหล่าทหารกดตัวลงกับพื้นทันทีนางไม่อาจรักษาความสงบเยือกเย็นไว้ได้อีกต่อไปพยายามดิ้นรนสุดกำลังเหอต้าจือ้อเจ้าช่างบังอาจนักแม้แต่ท่านหญิงอย่างข้าเจ้าก็กล้าตีหรือฝบาทให้เจ้าช่วยซื่อจือสืบสวนใครมอบอำนาจให้เจ้ามาใช้ทันทรมานกับข้า เฮอต้าจี้ยิ้มเฮี้ยมเกรียมเจ้าเก็บแรงไว้เถิดบอยนางไม้กระดานถูกยกขึ้นสูงและฟาดลงมาอย่างหนักหน่วงกระทบลงบนร่างของเยววความเจ็บปวดแล่นผ่านไปทั่วร่างเยววกัดฟันแน่นแต่ก็ยังไม่อาจกลั้นเสียงร้องด้วยความเจ็บปวดเอาไว้ได้เมื่อไม้กระดานฟาดลงมาอย่างต่อเนื่องไม่นานนักตามร่างกายของนางก็อาบไปด้วยเลือดจนดูไม่จืดเหนือเม็ดเป้งผุดไพรแต่หน้าผากของเยววใบหน้าเล็กๆขาวซีดเผือดแต่นางยังคงจ้องเขม็งไปที่เหอต้ตาจี้อย่างไม่ลดละ เห็นได้ชัดว่าเหอต้าจื้อเองก็ถูกซื้อตัวไปแล้วเขาไม่เรียกพี่ชายมาสอบสวนแต่กลับเรียกนางมาแทนเห็นชัดว่าเห็นนางเป็นเพียงสตรีอ่อนแอที่รังแกได้ง่ายที่สําคัญกว่านั้นนางต่างหากคือเป้าหมายที่ผู้บงการเบื้องหลังต้องการจัดการเซี่ยชิงจือต้องเป็นนางแน่ๆ่หลินเซินเจ้าคนสารเลวนั่นมัวทําอะไรอยู่เหตุใดถึงยังสืบไม่ถึงตัวนางยังหาหลักฐานไม่พบอีกหรือว่าเขาจะตั้งใจลําเอียงอีกแล้ว ยังคงไม่ยอมเชื่อว่าน้องสาวชิงจือของเขาจะทำเรื่องชั่วร้ายอมหิตเช่นนี้ได้ลงคอใช่หรือไม่ไม้กระดานยังคงฟาดลงมาไม่หยุดเย้ยเย้าเจ็บปวดเจียนตายทว่านางกลับหัวเราะออกมา